รุสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ เรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับปรุณทางสถานีวิทยุยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าที่คิดว่าเป็นวันที่เลืกดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีหลายๆท่านก็คงจะได้รับซ อ, องกรถินที่เชิญชวนไปทําบุญอทอดกรถินกันมากมายทีเดียวก็คือวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกา ย, ยนค่ะวันนี้เป็นวันแรม12บ่ําเดือน11ปีมะโรงนะคะซึ่งในวันนี้เช่นเดียวกัน ที่วัดป่าดอนหายสูง ซึ่งพวกเราหลายๆคนก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะคะที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั้นก็จะมีพิธีทอดกระถิ่นประจําปีเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวค่อยเชิญชวนกันตอนท้ายอีกทีสําหรับหลายๆท่านที่สามารถจะเดินทางไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะซึ่งตัวเดนเองนั้นก็ได้มาอยู่ที่วัดปาดอนไฮโศกเช่นเดียวกันก็คงจะได้ทําหน้าที่ที่จะร่วมในการบุญกัน กาินของวัดป่าดอนไฮโศกในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เหมือนเช่นเคยนะคะค่ะพบกันในเช้าวันนี้เราก็ได้กราบนิมนต์นะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดธิโอภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกได้เมตตาที่จะมาร่วมสากระช้าหรือว่าสนทนาธรรมะในรายการของเรา องหนึ่งและแน่นอนก็คือพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนพระอาจารย์องค์ป่าถกประจํารายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมอ่าฤกเลนตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดาวหายสุก็ร่วมรายการเหมือนเช่นเคยนะคะข อ, อนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนำ้ำมการอ่าพระเดชกุลหลวงพ่อดรสะอาดและพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนพร้พพอมกันเลยนะคะกราบน้ำมศ สการเจ้าขาหลวงพอ่อเจ้าขาและพระอาจารย์ดูเจ้าค่ะเดินพรวันสอนษาดูจาาเจ้าค่าพบ ก, กันในเช้าวันนี้ก็เราก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของกระินของวัดป่าดอนหาโศกเรานะเจ้าค่ะเพราะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของอนิสงค์บุญกรถินความเป็นมาของบุญกรถิ่นกันไปแล้วแต่ในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เราทอดกรถิ่นกันจริงๆที่วัดป่าดอนหาโศกนั้นเนี่ยก่อนที่จะคุยถึงเรื่องของบุญกรถินของวัดป่าดอนหาโศก โยมก็อยากจะข อ, อนำอคำถามที่คุณนภพรซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ที่ไปเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเล้นเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมานะเจ้าค่ะของทางวัดก็มีข้อสงสัยซึ่งพระอาจารย์ไพบุญก็เมตตาเห็นว่าคําถามของคุณณภพรเ น, นี่ยเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งอาจจะเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าสมาธิและฝึกสมาธิอะไรต่างๆที่อาจจะมีข้อสงสัยหรือว่ามีเกิดปฏิกิริยาเหมือนอย่างที่คุ ณ, ณภนภพรได้พบอยู่นะเจ้าคะ่ะยมขออนุญาตที่จะอ่านคําถามของคุ ณ, ณภนภพรเลยนะเจ้าคะพระอาจารย์เลยหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ คําถามแรกก็คือว่ามีช่วงอธิษฐานวันหนึ่งก็คือประมาณวันที่6แล้วคําว่าอธิษฐานนี่โยมขออนุญาตอธิบายให้ท่านู้ฟังทางบ้านได้รับทราบนะเจ้คาค่ะว่าสำหรับการไปปฏิบัติธรรมที่วัดปารอนไหโศกนั้นเนี่ยทางพระอาจารย์ไพบรุญอภิปุนโนพระอาจารย์ผู้อานวยการนั้นท่านก็จ ะ, ะเคร่งมากเลย ทุกคนเมื่อไปถึงทางวัดนี่ก็จะต้องนุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวรักษาศีลแปดแล้วก็จะต้องอมีการที่เรียกว่าตัดจากโลกภายนอกอย่างแท้จริงดังนั้นท่านก็ขอให้นำไม่ว่าจะเป็นเครื่องติดต่อโทรศัพท์รือถืออะไรต่างๆนาะนาะนะนะทั้งหลายนั้นฝากเข้าเซฟของวัดไว้แล้วก็ในการปฏิบัติแรกๆก็จะเป็นการนั่งสมาธิเฉยๆแล้วก็มีการฟังการ อภิปรายการเรียกว่าธรรมะองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าอะไรต่างๆแต่พอประมาณเข้าไปวันที่สามที่สี่นั้นพระอาจารย์ภัยบณ์ท่านก็จะเริ่มอธิบายถึงว่าขอให้ทุกคนอธิษฐานจิตก็คือว่าอธิษฐานจิตว่าเราจะนั่งสมาธินั้นเนี่ย หายในหนชั่วโมงโดนไม่มีการขยับขี้ยนอะไรทั้งสิ้นแม้ว่าเลือดในกายเราจะเหือดแห้งไปกระดูกหนังทั้งหลายแหล่นี่นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นช่วงของการอธิษฐานจิตก็คือห้ามขยับเลยทีนี้คุณนาภาพรก็ถามมาว่าในช่วงอธิษฐานมันนึ่งประมาณวันที่6แล้วเนี่ยทางคุณณภาพรก็ปวดหลังมากๆเลยเหมือนกับหลังจะขาดเลยก็เลยตั้งจิตไว้ ซึ่งความเพียรไม่ถอยกลับก็คือก็เลยพิจารณากายจนมีความรู้สึกว่ากระดูกสันหลังกับกระดูกขาเนี่ยมันอกออกมาและจิบก็เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราความเจ็บทั้งมวลมันก็หายไปหมดเลยแบบนี้ถือว่าเริ่มละความเป็นตัวตนได้หรือยังเจ้าคะและคำถามที่สองที่โยมขออนุญาตถามไปเลยนะเจ้าคะบอกว่าหลังจากจิบกลับมาเป็นสมาธิได้สักพักหนึ่งทางคุณพ่อคอนก็รู้สึกม่วง แต่ในช่วงนั้นวิญญาณทีนั้นเองเนี่ยคุณภาพรกำลังจะเคลิมเคลิ้มเนี่ยก็เหมือนมีเสียงของผู้ชายพูดเตือนขึ้นมาว่าหลังๆแล้วก็เหมือนมีใครมาเปิดไฟใส่เข้าไปในตาเลยสว่างโรูไปหมดเลยก็ทำให้ความง่วงของคุณภาพรเนี่ยหายไปโดยสิ้นเชิงเลยจึงอาการง่วงแล้วเห็นเหมือนคนมาเปิดไฟใส่ตาของคุณภปพรนี้เป็นค่อนข้างจะบ่อยมากเลยโดยทาไมครั้งนี้เนี่ยมีเสียงด้วย ซึ่งคุณนภพรก็ถามว่าก็สงสัยว่าสติมันพูดได้ด้วยหรือหรือว่าเป็นการปรุงแต่งไปเองของจิตของอของคุณตัวนะคุณนภพรเองแต่คุณนภพรยืนยันว่าได้ยินเสียงจริงๆเลยเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็เลยอยากจะกราบขอความเมตตาว่าะจะให้หลวงพ่อและพระอาจารย์ไพบูล น, นั้นเนี่ย ซึ่งยอมเหน็ดเหนื่อยบอกสอนแก่ผู้ที่มาริกเลนเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตต่อไปก็เลยอยากจะขอกราบในมัศรราการเรียนถามตรงนี้เจ้าค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงที่คุณนภพร น, น, นั้นเนี่ยได้ปฏิบททัติธรรมแล้วก็ทําสมาธิอยู่อะเจ้าค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะนภพรท่านนาความเข้าใจเกี่ยเรื่องของว่าอธิษฐานจนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะอธิฐานนี่จริงๆแล้วแปลว่าความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระเจ้าของเราพาทำที่อาตมาก็คือตัวราจริงเราก็ไม่ได้เคร่งอะไรมากหรอกเป็นเนใจแล้วก็ทําตามที่พระเจ้าสอนเชียวค่ ะ, ะพระเจ้าแนะนําให้ทําสิ่งที่เรียกว่าความเพียรไม่ถอยกลับค่ะในภาษา บ, บรลีเขาจะเรียกใช้คำว่าอัปติวานีนคือความไม่ถอยไม่ถอยกลับคือถ้าไม่สําเร็จไม่เลิกการขัดค่ะเพราะฉะนั้นที่ตัวพระเจ้าพระองค์ทาเองก็คือว่าเอาตั้งใจเลยจะ คือ น, นี้แม่บรรลุปเป็นพระอรหันต์สามาสำหรัเจ้าเนี่ยจะไม่เลิกทาความเพียร น, นี้อย่างเงี้ยนะเราก็เลยเอ า, เอาข้อปฏิบัตินี้มาให้ลองทำกันดูส่วนโดยปกติแล้วถ้าจะทําหรือไม่ทําบางคนทําไม่ได้ ก, ก็ก็ไม่เป็นไรทำนั้นก็ดีก็เป็นการทดสอบความกําลังใจของตัวเองอย่างเงี้ย ใ, ในกรณีคุณและพระบาลที่ทําเนี่ยนะพอถึงจังหวะที่มันโอ้เจ็บมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยาตายก็ตายช่างัวมันเองพอช่างงวมันเสร็จปุ๊บหลังจะหักก็ให้มันหักไปเลยขามันจะหักก็ให้มันหักไปดูงูมัน มันไม่เห็นปวดปดขามันไม่มีขาเลย <c oughs> เออถ้าเราไม่มีขามันคงจะไม่ปวดไง <c oughs> เ อ, อเขาก็เลยเออไปว่างไม่สนใจอะไรโดยความทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเหมือนกระดูกหลังกับกระดูกขาเนี่ยมันงอกออกมานั่นคืองอกออกมาเนี่ยในความเห็นของธรรมะนะเจ <c oughs> ้่ะเปรี้ยวคุณนภพรมีความรู้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นขึ้นมาคือว่ามันแยกกันออกไปคือขาเรากระใจเราเนี่ยมันแยกกันออกไป <c oughs> <c oughs> เจ้าค่ะที่เปรี้ยเคยครั้งหนึ่งเอามือเนี่ย รูปในอากาศอย่างเงี้ยรูปไปรูปไปเฮ้ยมือมันไม่ติดกอากาศนะั้นหรือว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ยพระธิพระจันท์ที่อยู่บนฟ้ากับพระจันทที่สะท้อนอยู่ในน้ำเนี่ยโค่ดวงกันคือไม่ติดกันแยกกันแต่มาจากที่เดียวกันเช่นเดียวกันกายกับใจของเราเนี่ยผู้เชี่ยแนะนําว่าให้ภาวนาจนกระทั่งกายกับใจมันแยกออกไปอย่างนั้นนัก็คืออาการที่ขาปวดอยู่กายปวดอยู่แต่ใจไม่ปวดด้วยอแต่ตรงนี้เป็นนิมิตให้เห็นนิมิตคือเครื่องหมายหเห็นว่าอ๋อเราแยกกันได้ระดั บ, บนึ่งนะ พอปุกบเราวางได้เนี่ยใจเราใจเราสบายนะที่เราไม่รู้สึกเป็นทุกข์คือปวดเนี่ยร่าการเป็นปวดธรรมดาอยู่แนละ้วอายุมากขึ้นหรือว่านั่งนานๆไม่ได้มีการเคลื่อนไหว ม, มันก็ปวดธรรมดานะแต่ใจเราไม่ไปทุกข์กับมันด้วยนะนี่คือปรากฏการณ์ที่คุณนพพ ร, รเนี่ยได้ประสบการณ์นะนะก็คือว่ามันงอกออกมาคือหมายความว่ามันแยกออกมานะจิตมันก็ได้เห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วแยกกันไปแะตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์แล้ ว, ลวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็แสดงความยินดีด้วยเพราะว่ า, วา อันนี้รู้ได้เฉพาะตนะนะสมมุติคุณภาพรอธิบายอมามธิบายคุณเใจอธิบายก็เป็นประสบการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนตรงนั้นไม่เหมือนกันด้วยนะจ๊ะค่ะอ่าคื อ, ค, อคือความที่มันออกมาเป็นความรู้ให้เราเกิดขึ้นเนยะอาการในจิต น, นะจะเหมือนกันนะคุณอนใจใแต่บทเพลงชนะที่เราเอาออกมาใช้เนี่ยจะแตกต่างกันตามความสามารถเนี่ยอืย่างของคุณเตืนใจจะเห็นเป็นลักษณะหนึ่งแต่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าอ่ะมันแยกกันไปแล้ว คุณนัพาร์ท อ, อย่างนี้อีกคนหนึ่งเห็นอย่างหนึง่งก็เป็นนิหมายนิมิตคือเครื่องหมายให้รู้ความความหมายเดียวกันแต่เครื่องหมายเนี่ยมันก็แตก ต, ต, ต่างกันไปแต่ละคนบางคนมีพื้นฐานเป็นมาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นเป็นอย่างหนึ่งเป็นหมอมก็เห็นไปอย่างหนึ่งเป็นพยายบาลก็เห็นอย่างหนึ่งเป็นนักกฎหมายก็เห็นไปอย่างหนึ่งนะเพราะพื้นฐานไม่เหมือนกัน<ช>แต่ความรู้ที่เห็นเนี่ยในจิตเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันว่ามันไม่ใช่ของเรามันแยกกันไปแต่เพราะนั้นนิมิตจึงแตกต่างกันแต่ละคน ดีมีแตกต่างกันแน่นอนตามพื้นฐานะครอบครัวพื้นฐานการศึกษาก็มีอืแต่อาการทางจิตต้องเหมือนกันหลักนั่นอันนี้ตรงนี้คือรับรู้ว่าว่ากายกับจิตนี้สามารถแยกกันได้นะจ๊ะถ้าเพื่ออธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าแต่ละท่านที่จะหลังจากไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยถ้าสามารถควบคุมจิตได้แล้วก็ทำจิตอย่างมั่นคงแล้วเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกหรือนิมิตอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะแตกต่างกันไปตามจิตใต้สํานึกหรือว่าหรือว่าความพื้นฐานของแต่ละคนนะเจ้าค่ะออกมาจะทาให้เกิดความเข้าใจได้อจ้าค่ะอย่างถ้าคนเด็กในเมืองกรุงอย่างเงี้ยจะไปเข้าใจเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องการทํานาคงไม่รู้เรื่องเจ้ค่ะในขณะที่คนอยู่บ้านนอกนั้นจะเข้าใจเรื่องตึกดานบ้านช่องเล่นเกมกดแต่เขาคงไม่เข้าใจเรืนองนิมิตที่ปรากฏมันจะแตกต่างกันแน่นอนนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องหมายเฉย คเครื่องหมายนะอตรงนี้ตรงนี้เป็นนิมิตของคุณนภพรเป็นความรู้ของคุณนภพรเองยังไม่ใช่ความรู้ของคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวเองรู้ได้ตรงนี้เป็นรู้ได้เฉพาะตนเป็นวินยูเป็นยูหิตคือตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองก็รู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นพูดไปก็คือเป็นความรู้ของคุณนภพรบ้างเถิดถ้ามาตีความตามที่ผู้เช่าประกาศไว้ก็คือเรื่องตรงนี้อืว่าก็จุลละหลามันแยกกันออกไปทีนี้ประเด็นที่สองก็คือว่า ได้ยินเสียงด้วยจ้ะค่ะได้ยินเสียงปวาง่วงจ้ะค่ะ <หา S 1> มีไฟมามีแสงสว่างเกิดขึ้นจ้ะค่ะอันนี้เป็นอทําให้นึกถึงตอนที่ท่านพระหมหาโมคลานะมีปัญหาเรื่องความง่วงเหงานอนตอนนั้นยังยังไม่ได้เป็นบรนะอรนต์กำลังนั่งสมาธิเลยอยู่ที่หมู่บ้านกระวมุตตะคามนานั่งมันก็จะต้องการเป็นพระอรหันต์ละเราลังทําความเพียนอยู่พรากฏง่วงมากเลยแอนหน้าแอนหลังง่วงอยู่พระเจ้าก็อ เห็นปนัญหาตรงนี้ก็เลยมาแก้ก็เรียกว่าให้อุบายในการแก้ปัญหาหนึ่งใน8อย่างนั้นก็คือทําจิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นอนะในกรณีของคุณภาพรเนี่ยเขาสามารถที่จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในในใจได้ ค, คือแสงสว่างหนึ่งโดยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้ฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเราหรือ <c oughs> ที่เีย ว, ว่าเมลาโทนินเนี่ยนะทำงานน้อยลงนะแสงสว่า ง, งที่เกิดขึ้นจะเข้าทางตาก็ตามเท่ากางผิวหนังก็ตามอย่างอย่างตอนนอนทำไเราต้องปิดไฟเพราะว่าถ้ามีแสงน้อยเนี่ย ฮอร์โมนตัวนี้จะทำงานมากขึ้นอืถ้ามีแสงมากฮอร์โมนตัวนี้จะทํางานน้อยลงก็จะทำให้เราง่วงหมายความว่าเมลาโทนินเนี่ยนะเป็นฮอร์โมนที่ออกมาแล้วจะไม่เราง่วงแต่ถ้ามันออกมาน้อยเราก็จะไม่ง่วงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำํำสิ่งเช่นออกไปข้างนอกเห็นแสงสว่างเห็นพระอาทิตย์หรือเปิดไฟเราก็จะทําให้ความง่วงเนี่ยมันน้อยลงไปได้ดในแต่กรณีนี้คือมันเกิดขึ้นเองคือเราไม่ได้ตั้งใจจะต้องทำํำ แ, แสดงว่าจีของคุณภนภพรเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ากําลัง กนะ็กำลังในการที่จะทรงให้ตัวเองอยู่ในมรรคได้คือความง่วงเหงาเขานอนเนี่ยมันเป็นอยู่นอกมรรคนะมันเป็นนอกขนทาง จ, จะไปถึงนิพพานใช่ไหมทีนี้สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะทําให้เราทรงอยู่ในทางได้อ่ะสมมติเราขับรถเนี่ยนะคุณจะอยู่ในเลนส์ได้เนี่ยนะไม่เป๋ออกนอกเลนเะนี่ยคุณต้องจับพวงมาลัยอย่างดีคุณต้องรู้ทางรู้ไหลใช่ไหมถ้าคุณหลับในปุ๊บเป๋ออกนอกทางชนข้างทางได้ใช่ไหมทีนี้อะไรล่ะที่ทำให้เราอยู่ในทางได้พระเจ้าพูดถึงพละห้าพละคือกําลังห้อย่าง คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะทําให้จิตดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยอยู่ในหนทางได้นี่คือกําลังคือพละหแสดงว่านี่เราลองจ้องนอกทางนะเราละม้วนละปุ๊บมันกลับมาทางเองได้ด้วยมีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่เฉยแสดงว่าจิตคุณภาวาลนี่มีพละนะต้องมีกําลังระดับหนึ่งทีเดียวแต่ถึงให้มันมีลักษณะว่ามีการมาช่วยเหลือตัวนี้เกิดขึ้นอืมค่ะแล้วทีนี้เปิดเป็นบ่อยๆด้วยคุณพาวาลบอกเป็นบ่อยด้วยพอม เหมือนมีไฟมาเปิดใส่ตาโอ้ใช่แสดงว่าจิตที่มีกําลังนะไม่ใช่ขี้หมูขี่หมาจะมาสั่งวงแล้วก็แอนหน้าแอนหลังไม่ตามไม่ใช่แต่ว่าจิตตัวเองมีกําลังทีนี้กําลังตรงเนี้ยจากการที่เราปล่อยวางไปได้จากการที่เราฝึกมากขึ้นทำความเพลินอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะในความเป็นจิตมาทีนี้มันเลยอาจจะ l ิมิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพไปเหมือนเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเป็นแสงบ้าง ก็มีเพราะนั้นจึงเป็นลักษณะได้ยินเสียงของคนอย่างเงี้ยพระเจ้าเคยพูดถึงความสามารถของพระองค์ตอนที่เป็นบริษัทอยู่นะว่าตอนเป็นบริษัทอยู่เนี่ยนั่งสมาธิอยู่เห็นแสงสว่างเฮ้ยทาไมแสงสว่างหายไปขอเพราะจิตมันเป๋แบบนี้ทําไมเห็นแสงสว่างด้วยเห็นภาพด้วยเห็นเทวดาด้วยอืมค่ะเอ้าพอเห็นปุ๊บเทวดาเลื่อนหายไปเฮ้ยทําไมขอจิตมันเป๋ไปอีกทางหนึ่งเอาแก้ไขแก้ไขเสร็จปุ๊บเห็นแสงสว่างด้วยเห็นเทวดาด้วยคุยได้ด้วยแล้วว่าเขาอยู่ชั้นไหนอะไรไงทําำไมไง เอาดิวความสามารถตรงนี้หายไปอ๋อมาตรวจสอบดูอ๋อเป็นเป๊ะเป็นทางหนึ่งแล้วก็<จ>แก้ไขแก้ไขจนกระทั่งสามารถพูดคุยได้รู้ว่าบุคกรรมเขเป็นอะไรก็อยู่ชั้นไหนเขาไปไหนเขาจะไปต่อไปอนะคือความละเอียดละเอียดของความรู้เนี่ยก็มีมากมากมา ก, มา ก, มากขึ้นไปถ<จ>ูกค่ะนะตามปัญหาที่ตัวเองค่อยๆแก้ไปได้นะคือตามความสามารถของศีลสมาธิปัญญาที่ทําได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแตเพราะนั้นถ้าตัวเองเนี่ยมีความก้าวหน้าในข้อปฏิบัตินะความสามารถตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นได้ มามาเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปของเครื่องหมายที่ทําให้เรามีความเข้าใจในแบบต่างๆได้อืเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตของคุณเพราะฉนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตของคุณนภพรซึ่งมีความเข้าใจตรงน <c oughs> <c oughs ี no, ้ขึ้นมาอืมทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องหมายเรื่องนิมิตเนี่ยนะอ่าะผู้เช้าก็บอกว่าถ้ามีนิมิตเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยเราคลายอกุศลไปได้เราทําให้จิตของเราตั้งอยู่ในกุศลได้แล้วเนี่ยก็ให้ละนิมิตนั้นเสีย นั่นล่ะเครื่องหมายนั้นเสียงอย่าไปตามนะอย่าไปสนใจมันมากนะพอเราได้ประโยชน์พอแล้วเราก็ผ่านไปป่อยวางก็ไปแสงสว่างเราก็บางก็ไปอย่าตามก็ไปเสียงเราก็ฟังไว้แล้วก็ผ่านไปก็คือจบอย่าไปฟังเขาพูดแล้วเขาจะพูดอะไรต่ออย่างนี้นะพอจิตเราตั้งอยู่ในกุศลแล้วได้แล้วคลายความง่วงแล้วนะจิตอยู่ในกุศลแล้วทแล้วก็ผ่านตรงนั้นไปซะวางไปวางกันเถอะอย่าให้มิมิตเนี่ยมันมาตาม หลอกห้อนนิสิของเราอย่าไปยึดถือใช่ไหมคะทีนี้สำหรับตัวของโยมเองนะเจ้าคะ่ะ<ร>อยากขออนุ ญ, ญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอย่างโยมปฏิบัติที่ที่ทางวัดป่าดอนไห่โศกเรานะเจ้าคะ<ร>่ะมีอยู่มีอยู่สองครั้งเจ้าค่ะโยมจำได้ว่าหลังจากอธิษฐานจิตแล้วเนี่ย โยมก็นั่งสงบอยู่ได้นะเจ้าค่ะแต่พอตอนท้ายทีจะมีความรู้สึกว่าหวดขามากจนกระทั่งต้องกัดลิ้นกัดฟันตัวเองแบบเมื่อไหรจะได้ยินเสียงระฆังของเจ้าค่ะที่พระอาจารย์จะตีขึ้นมาว่าหมดชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วโยมก็กัดฟันแบบเต็มที่เลยอันนั้นน่ะทรมานมากกว่านั้นค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นไปเนี่ยมันก็มีบางครั้งที่ว่าโยมทําได้โดยที่ว่าไม่ได้เห็นอะไรเลยนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่านิ่งสงบไปอ้าวได้ยินเสียงะระฆังละ แล้วก็ไม่ได้หลับด้วยนะเจ้าค่ะะทำไมเร็วอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะอันนีมน้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วโยมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นภาพอะไรเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาอันนี้มันดีหรือไม่ดีเจ้าคะ <c oughs> เพราะว่าบางคนเขาจะตัวเบ า, างี้งงู้ย่างงีง้แต่ยมนี้จะไม่มีเลยก็คือนิ่งเงียบเนียบก็เงียบไปเลยเจ้าค่ะนี่มันเกิดจากก็เราเอาชนะจิตของเราได้ข้างที่หนึ่งแล้วออืเจ <c oughs> ้าค่ะจิตของเราไม่สงบเราทําให้สงบได้ ทำให้แน่วแน่ได้ให้นึกเป็นนิ่งเป็นหนึ่งได้เราเ อ, อาชนะความเก็บความปวดไปได้เค่ะพอตอนหลังมามีความเก็บความปวดขึ้นมามันก็ไม่ใส่ใจควาะมันเรื่องเล็กน้อยเพราะเราผ่านไปได้แล้วอืมเจ้าค่ะเป็นก่นแต่นีไไ้ไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะเจ้าค่ะแบบนิ่งเงียบไปเลยแล้วก็ก็ไม่ได้ว่าตัวเบาหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ทําไมเวลาผ่านไปเร็วมากเจ้าคาา่ะอย่างวาอ้าวอาจารย์ตีละครั้งแล้วเหรออะไรเงี้ยเจ้าค่ะระยงก็เลยนั่งต่ออีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อันนี้มันเป็นนิมิตยังไงแล้วยความเป็นนิมิตดีเนะดีแล้วค่ะชนะของพวกเราจะเราชนะใจเราได้ครั้งที่หนึ่งแต่เราพิกตัวไปมามันก็มันก็ไม่ได้อืมเจข่าวหลังก็จะเก็บว่าเขาอเก่าแต่นี่พอเอาชนะครอมเก็บความปวดได้กิดใจก็สบายนี้พอเจออีกก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเอาชนะได้แล้วอืมคือกัน อันนี้มันนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายเนี่ยไม่ได้ว่าจะเกิดมาอยู่เป็นประจำนะอืะเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกอะไรบางอย่างแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องไม่สนใ จ, จที่บางทีก็ไม่เกิด โ, โดยที่เราทําได้โดยอัตโนมัติก็ ก, ก็ดีแล้วก็ <ừ ừ S 2> สามารถก็เป็นไปได้เหมือนกัน ค, คือไม่จำเป็นต้องเกิดนิมิตก็ได้ไม่ไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเช่นไม่เกิดนิมิตรไม่เกิดสิ่งรู้เห็นนั้นนี่ก็ไม่เป็นไรพอให้ใจเราเอาชนะสิ่งที่เก็บปวดนั้นได้ค่ะโดยการทรมานเอาทรมานไปก่อน เก็บปวดทรามานเก็บมากปวดมา ก, มากแต่เราก็เอาชนะควาเก็บค ว, วามปวดท่านได้คือตั้งใจไม่ทิ้งขอพยายามอันนี้มันเป็นการได้ชัยชนะแล้วเห็นเห็นทุกย่างเห็นธรมเห็เห็นทุกคือเห็นธรรมอาจารย์ทุาค่ะเห็นทุกเกิดขึ้นแล้วเจ้าค่ะอ๋ะอเจค่ะไม่ไม่พลิกตัวไม่เอเปลี่ยนท่านั่งไม่อะไรเลยเอาชนะจนได้จนจบชั่วโมงได้อันนี้ดีที่สุดเลยเจ้าค่ะที่แล้ว่าก็ เรื่องธรรมดาอืเอาชนะได้แล้วก็ชนะได้อีกชนะได้อีกต่อไปเปลี่ยนั้นเดลี่ยนว่าเราต้องมีความชํานาญในกุญแจสมมว่าที่บางทีบางทีเราทําได้พี่ทำไมบงทีเราทําไม่ได้อืมเจ้าค่ะอันนี้สงส่ยมากเลยมีที่ความชํานาญอือจ้าค่ะแล้วบางคนเนี่ยคือคือทําตั้งใจมากเกินไปไม่ใช่ว่าตั้งใจมากเกินไปจะพูดไงดี้คือทําความเพียรมากเกินไปจนทั่งจิตฟุ้งซ่านอืแล้วไม่สามารถทรงจิตให้อยู่ในสมดุลได้ก็เลย บางคนนั่งสมาธิเนี่ยจะสู้ให้ต้องเอาชนะให้ได้มันปวยมากจริงโหแต่แบบแต่ปวดทําไมเหมือนกับชนะแค่แย่คะแนนนะคือเหนื่อยก็เหนื่อยปวดก็ปวดผ่านได้อยู่แต่ปวดมากเฮ้ยแต่พอเรามาทําอีกทีทําแบบสบายๆไม่ต้องเครียดไม่องอะไมากเฮ้ยมันไม่ปวดเลยค่ะมันผ่านได้สบายๆใช่มันบานไปแล้วเราต้องทรงจิตให้สมดุลไงคุณต้องทํามีความชํานาญในการปฏิบัติตรงนี้ อืมเจ้าค่ะ<ม><ม>ก็คือต้องทําบ่อยๆนั่นเองเพื่ อ, อว่าเราจะได้รู้วิธีทางนะเจ้าค่ะที่จะเหมือนที่เขาว่าเข้าสมาธิได้เร็วหรือช้าจิตจะสงบได้เร็วหรือช้านะเจ้าค่ะแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วที่เราต้องเห็นนะคุณตนแจไม่ใช่นิมิตนะจะที่เราต้องเห็นเนี่ยคือความเห็นความไม่เที่ยงเห็นความปล่อยวางได้สุดจุดที่เราไม่ปวดไม่อะไรเราสบายใจละนั่นแหละเราต้องเห็นตรงนั้นอืมเราไม่ใช่เห็นภาพเห็นแสงเห็นสีได้ยินเสียงอะไรไม่ใช่นะดังนั้นต้องวางยังไงก็ตาม ที่เราต้องเห็นคือเราต้องเห็นความปล่อยวางได้เราต้องปล่อยวางได้นี่คือความพิเศษความอัศจรรย์ที่จะมีขึ้นในจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมจุคาไม่ใช่ภาพไม่ใช่เสียงพวกนั้นจุคาคือเราจะรู้ได้ด้วยด้วยตัวของเราเองนะคาใแล้วแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของถ้าในเรื่องของนิมิตแต่เป็นไปจะแตกต่างกันอยู่แต่ในเรื่องของการปล่อยวางและจิตสบายเนี่ยจะเหมือนกันจุคาว่าถ้าเราปล่อยวางได้ปุ๊บทุกคนก็จะพูดเหมือนกันของเวลาผ่านไปเร็วมาก แล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นยังไงยังไงเฮ้ายมันมันเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่สุดตรงปล่ยวางนี้แล้วต่อจากขั้นนี้ไปจะจะเป็นไงต่อไปเจ้าค่ะอันนี้โยมอยากอยากรู้มากเลยเจ้าค่ะผมขงอเจ้าค่ะอยากพี่ไปก็ทําอย่างเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละเจริญพรทําเหมือนเดิมทําเหมือนที่ตั้งอทํามาแล้วนั่นแหละเจแต่ว่ามันจะเก็บจะปวดเราก็ไม่ใส่ใจอีก ทำใจให้สบายทำใจให้สงบอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานให้มันได้เจ้ค่ะอืมต่อไปเรามันไม่มีอะไรจะเก็บจะปวดหรอกนั่งอยู่นานขนาดนมันก็ไม่เก็บปวดเจ้าค่ะเพราะเราเอาชนะได้แล้วเจ้ค่ะอืำเป็นทำให้มีความชํานาญทำทําให้มันชํานาญทําให้มันคล่องตัวขึ้นกว่านี้อีกแล้วทีนี้จะนั่งอยู่ก็พืช น, นั่งอยู่เก้าอี้มันก็ เป็นสมาธิตลอดอเรานั่งไปกับรถในรถในเรือเรานั่งไปเราไม่ได้ทำธุรอะไรเรากําหนดดลูดลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นลมของเราสบายสบายกิจใจก็สบายอะไรก็สบายเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระพุทเจ้าพูดถึงการฉลาดในการเข้าในการออกในการดํารงอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะคุณทําอย่างนี้ได้ได้ต่อเนื่องไหมบางคนทําได้เฉพาะเวลาเช้าเจ้าค่ะเอาเวลาอื่นคุณทําได้ไหมทําได้อย่างเอื้อเฟื้อเช้ากลางวันเย็นคุณทําได้ไหม ตอนเปิดตาคุณทําได้ไหมอยู่ที่ทํางานคุณทําได้ไหมอยู่ในรถคุณทําได้ไหมอันนี้คือความชํานาญที่เราต้องฝึกอืถ้าฝึกแล้วได้ชํานาญมากก็จะจะเป็นการดีมากมันจะได้ประโยชน์หลายอย่างอืเพราะว่าเวลาบาดตรงนี้คุณเตือนใจคุณปล่อยวางได้เนี่ยใช่อยู่มันตอนตอนนั่งอยู่ตอนตอนที่เราอยู่ที่ทํางานคนเขาด่าเราอยู่ในภาวะกดดันสิ่งที่ได้ต้องการไม่ได้ตามหวังเราจะปล่อยวางตรงนั้นได้ไหมเนี่ยเราต้องขยายความรู้ของตรงนี้ของเราเนี่ยออกมาให้ทั่วชีวิตของเราอย่างนี้นะเจ้าค่ะ คือที่สมัคโยมเองนะเจ้าค่ะขออนุญาตกลับเรียนถามเผื่อว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเหมือนกันก็คือว่าอย่างหลวงพ่อเองหรือว่าทางพระอาจารย์เองอะเจ้าค่ะหลังจากที่เรานั่งสมาธิไปได้อักสักสาวันเนี่ยเจ้าค่ะก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าเปลี่ยนการพิจารณาว่าอันกายของเราเนี่ยเจ้าค่ะก็ประกอบไปด้วยดินน้าลมไฟ เสบดินก็หมายถึงพวกสมองกระโหลกเนื้อหนังกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะน้ำเป็นก็จะเป็นเลือดน้ําเลือดน้ําหนองน้ำอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะแล้วก็ลมก็คือลมที่ว่าอยู่ในตัวเราลมหายใจของเราหรือว่าลมที่เรา อ, อยู่ในท้องบ้างอะไรบ้างไฟก็คือความอบอุ่นในตัวของเราเนี่ยเจ้าค่ะพอพิจารณาตรงนั้นไปแล้วเนี่ยหลังจากตรงนี้เนี่ยมันขั้นต่อไปจะเป็นอะไรเจ้าคะพยมก็พิจารณาได้แล้วตรงเนี้ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าขั้นต่อไปเนี่ยยอมยมจะเป็นยังไงเจ้าค่ะ ขั้นต่อไปก็ต้องวางได้เจอก่นอนจุกค่ะวางดินวางน้ําวางลมวางไฟได้เห็นว่าเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงจคือมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปจุกค่ะมันจะเห็นชัดเข้ามาในใจของเราเราก็จะวางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตเราจะเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงเจริญก่นอนจุกค่ะ ทีนี้สำหรับโยมเองเนี่ยพอมาใช้ในชีวิตประจําวันนะเจ้าค่ะที่ทุกวันเนี้รับราชการอยู่นี่บางทีมีสิ่งอะไรมากระทบเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็คิดว่าโยมปล่อยวางได้คือว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกทุกข์ทรมานอย่างนี้ถือว่าอยู่ในขั้นที่พอพอจะเรียกว่าอย่างที่พระอาจารย์พูดว่านํามาปรับไหมเจ้าค่ะดีดีมากแล้วจาะเจ้าค่ะใช่ในชีวิตแต่เลยเราเราไม่มีความคร่าครวญคร่ำให้ไม่มีความทุกข์โศชกตัว หรือไม่มีความกระแ้านกระเดื่องแสดงความกลัความขัดเคืองอันนี้สังคมตรงนั้นเป็นสุขในห้องทํางานตรงนั้นเป็นสุขในที่ทํางานตรงนั้นเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขแน่นอนจ้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เอถ้าเผื่อเราเราวางอย่างนี้ได้แล้วนะเจ้าคะ่ะคือเราไม่ทุกข์ทรมานไม่อะไร แต่สามารถโยมเองโยมก็จะมองไปในเรื่องของทางบวกอะเจ้าค่ะ hmm. ว่าโอเคมีมาอย่างนี้เนี่ยโยมก็มักจะเชื่อตามที่ทางพี่สาวซึ่งรักนัะถือกันนะเจ้าค่ะ hmm. คื อ, อพี่โยมอาจารย์ทีวีไพร์บัวเนีเจ้าค่ะท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่พอเราเป็นคนทำบุญใช่ไหมเจ้าค่ะ <嗯 S 2> อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โยมคิดมาในทางที่ถูกแล้วหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก3นาทีข อ, อกราบหลงข้อได้ได้เมตตาสาธ迦เจ้าค่ะคิดถูกทางแล้วจเจริญพรเจ้าค่ะคิดถูกทางแล้วตรงนี้พระเจ้าสอดคล้องกับพุทธวัจนะนะเจ้าค่ะพระเจ้าบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความรักมีความยินดีเนี่ยเป็นที่หมายความเป็นที่หมายความยินดีเนี่ยถ้าเราจะละตัณหาได้ละได้ตรงนั้น ถ้าเราจะดับตัณหาจดับดับได้ตรงนั้นอะไรล่ะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความรัะความยินดีภาษาทั้งหลาย6อย่างนี้แหละนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเกิดมาเพื่อให้เราละความละตัหารตรงนั้นได้นะถ้าตรงนั้นมีความยินดีตรงนั้นเราละตัณหาได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นโอกาสเท่านั้นคุณเดินใ จ, จที่ทำให้เราละตัณหาได้โอกาสอยู่ต่อหน้าท่านผู้ฟังทั้งหมดแล้วนะเราเห็นตรงไหม เห็นตรงที่พุทเจ้าบอกไหมว่าให้ปล่อยวางเห็นตรงที่พุทเจ้าบอกไหมเห็นความไม่เที่ยงของมันนะถ้าเราเห็นตรงนั้นนั่นคือความมาสใจมากละ่มะมาสใจกว่าเห็นภูเขาเห็นดินเห็นนรกเห็นอ่ารูปมินิมิตอะไรต่างๆน ะ, ระตรงนั้นปุ๊บเรามีความสุขทันทีเนี่เรารู้ได้เฉพาะตนเจ้ค่ะนะแล้วการที่สมมุติว่าเราอวางจิตได้แล้วเนี่ยออ่เราก็ เหมือนแผ่เมตตานะเจ้าคะ่ะอันนี้นี่ถือว่าเป็นเหมือนจะทําให้เราหมดสิ้นเวรกรรมกับสิ่งที่เข้ามากระทบเราไหมเจ้าค่ะพ อ, อเราเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยหนึ่งในนี้ส่งที่จะได้ในสิบเอ็ดอย่างก็คือทาให้เป็นที่รักของมนุษย์จค่ะแล้วก็หลับไม่ฝันร้ายตื่นอนอนเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะก็ชีวิตเราก็เป็นความสุขเนี่ยแหล ะ, คคะเพราะมเมื่อเราแผ่ส่วนบุส่บุญส่วนไปแผ่ความรักความเมตตาไปเนี่ยอ จิตเราก็จะคลายความผูกเวรจากคนอื่นด้ว ย, วยค่ะอั น, นนี้เป็นสิ่งดีมากเลยสาธุเจ้าค่ ะ, ะท่านผู้ฟังคะเหลือเวลาอยู่อีกอไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะก็ใหญ่จะขอเรียนย้ำว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนทางวัดปารอนหายโศกก็จะมีะพิธีทาบุญอทอดกระเินประจำปีนะคะซึ่งปีนี้นี่ท่านประธานก็คือคุณกิติวัน จงณรังศินนะคะซึ่งท่านก็เป็นประธานในการที่จะรวบรวมบุญกฐินต่างๆซึ่งตัวท่านเองก็จะได้มีโอกาสไปร่วมบุญด้วยก็อยากจะขอเชิญชวนทัานผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะถ้าหากว่าท่านอยู่ในภาคตนออกเฉียงเหนือก็หรือว่าทางอีสานหรือว่าแม้แต่จะไปจากกรุงเทพเหมือนกันนี้ก็ขอเชิญไปร่วมบุญวัดป่าดอนไฮโซกันได้อันนี้จะเริ่มตั้งแต่รู้สึกจะมีการตักบาตตอนเช้านะเจ้าค่ะเจ็ดมเจ้าค่ะเจ็ดงครึ่งแล้วก็รับประทานอาหาร เรียบร้อยก็ไม่เกิน10บโมงก็จะเริ่มพิธีถวายภาคกรถินในวันที่11นะสิบเอ็ดพฤศจิกาปีสมามพันสิบก็คือวันนี้ <15 S 1> นี่เองเจ้าค่ะเจ้าค่ ะ, คะแล้วก็10บโมงเริ่มพิธีถวายภาคกรถิน แล้วก็เสร็จสับเบเสร็จก็ไม่เกินที่ยงเจ้าค่ะสาธทเจ้เาค่ะแล้วก็เท่าที่มีประสบการณ์ก็คือตอนช่วงเช้าที่หลังจากที่เราตักบาตรแล้วก็จะมีญาติโยมหลายๆท่านนะเจ้าคะที่อยากจะทําบุญก็จะมีอาหารพวกปลาเต็งโง่บ้างอะไรกุ้งตองกุ้งเตี๋ยวนะเจ้าค่ะมใ<ห>าให้ญาติโยมได้ทานกันใช่ไหมเจ้าค่ะอันนั้นถ้าใครอยากจะไปทําเรียกว่าตั้งโรงทานก็เชิญได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะขอท่านผู้ฟังค่ะทีฉันก็ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดธิโตโอภาโสและก็พระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนก็เรียนเชิญชวนนะคะสำหรับทุกฟังทางบ้านทุกท่านค่ะถ้าหาก ว, ว่าท่านมีโอกาสที่จะไปร่วมบุญงานกรถินของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งจัดขึ้นในวันนี้นะค ะ, ะก็เชิญได้เลยนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่ตอนเช้าถ้าหากว่าไม่ทัน ที่จะไปตักบาตตอนเช้าก็อันนี้กส็สามารถไปร่วมบุตกรินได้เวลาประมาณ10บโมงกว่านะเจ้าคะตอนเที่ยงก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็เรียนเชิญชวนกันนะตรงนี้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมาราปรุญของเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องของนำท่านผู้ฟังกราบน้ำมการขอพระคุณอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดที่โภาโซหรือท่านพระคุณสิทธิ์ทีพระภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหาโศกค่ ะ, คะรวมทั้งพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจําร ารของเด้วยแล้วก็พบกันที่วัดป่าดอนไหศกนะคะวันนี้ตอนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะตอนนี้ตีห้ครึ่งก็ยังมีเวลาที่จะเตรียมตัวไปร่วมงานกันที่วัดป่าดอนไหศกได้นะคะย้ําอีกนิดนึงค่ะอยู่ที่ตําบลดอนไฮศกอําเภอหนองหานจังหวั ด, ดอุดรธานีค่ะ อ, อกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคขาและพระอาจ า, จ า, า, ารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าขาเรียพ่อเรียพ่สาธุเจ้าค่ะ